ฉะนั้นการที่เราถูกอกุศลทั้งหลายนี่นะมาเป็นปัจจัยทำให้เราเนี่ยคิดถึงทุจริตอกุศลเก่าและทุจริตใหม่น้อยไปนี่เราไม่เชื่อ เราไม่เชื่อไม่เชื่อขันธาตุอยายตนะที่เป็นมาในอดีตแล้วก็ไม่เชื่อขันธาตุอยายตนะที่จะเป็นไปในอนาคตไม่เชื่อขันธาตุอยายตนะทั้งอดีตและอนาคตและไม่เชื่อปฏิจจสมบัตเราไม่เชื่อแล้วจึงไม่กล้าที่จะเพียนออกจากบาปเราบอกอุ้ยไม่เป็นไรล็อกพระก็พูดไปแรงเหลือเกินเนี่ยใช่ไหมอะไรบาปมันจะมากมายขนาดนั้นใช่ไหม เราคิดอย่างนั้นหรือมะฉะนั้นการจมอยู่เนี่ยนะถ้ารู้ว่าตนเองยังมีทิฏฐิมีไหมตอนเนี้ยมีวิชาทิฏฐิอยู่ไหมมีทุจเรตอยู่ไหมกายทุติจเรตวัจจีทุติจเรตมโนทุตจเรตทุตจเรตสามในดีตก็มีไหมทุจเรตสามปัจจุบันที่จะทําต่อไปมีอยู่ใช่ไหมฟังทำแล้วกิเลสเกิดตอนนี้ทำสุจริตหรือทุตจเรต ก็ น, นี่งไงเชื่อล่อจะลงอบาอยโฮมิแล้วยังมานั่งนั่งดีใจอยู่ได้ยังไงใช่ไหตรงนี้ก็เริ่มมองเห็นชัดขึ้นว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วการทำบาปไม่ดีเลยเบียดเบียนตัวเองด้วยเนาะถ้าเราเกลียดอีกคนหนึ่งแล้วเราทำบาปแล้วเราบอกว่าบาปจงไปให้ผลในคนที่เราเกลียดมันไปได้จริงไหมไม่ได้เลยมันเบียดเบียนตัวเราเองเนาะถ้ากรณีอย่างนี้ก็ ถ้าคิดอย่างนี้ได้นะภาวนาเนี่ยนะที่เป็นวิริยะภาวนาเนี่ยสามารถผักดันโกสศชากุศลได้ก็ออกย่อมจะปรากฏเหมือนพระจันทร์เหมือนพระอาทิตยนะ์เนมือนผักดันโกศชากุศลนะก็หมายความบอกว่าถ้าพระเนี่ยถ้าโกสศชาอากุศลมาครอบงําใจท่านเนี่ยท่านจะต้องระดมผักดัน ดมปักตานเพราะท่านรู้ว่าเนี่ยท่านโดนเล่นงานโดนโจมตีแล้วอ่าท่านรู้อยู่ในยาบทนั่งเนี่มันง่วงท่านจะยืนเนะ่ยยืนฟังทำผิดไหมผิดไม่ผิดไม่ผิ ด, ผดนะพระนั่งยืนไม่เป็นไรแต่พายืนฟังทำเนะี่ยห้ามห้ามนั่งอย่าง น, นั้นเองเพราะเป็นเนเป็นอาบัติพระท่านเป็นอาบัติพ้ายืนยืนได้เห็นไหมหรือถ้าพานั่งเนี่ยก็ยืนได้ ท่านยืนก็ยังไม่หายเดินค่อยๆฟังไปได้แต่ไม่ใช่เดินพางกลับกุดหมดนี่แล้วกลับแล้วกลับบ้านหมดเลยหายหมดเลยพะนั่งพูดอยู่คนเดียวตายอโยมหายไปไหนบอกเดินจองคมเดินไปหายหมดเลยตอนนี้เดินจองคมหนีหมดแล้วคือจริงๆก็เพื่อต้องการขับไล่กุศลอยู่ไหมงั้นได้ไม่เป็นไร นั่ยืนพระศาสดาเคยยืนฟังธรรมเนะี่ยยืนทั้งคืนเลยใครลองทดลองดูไห้ยืนสักชั่วโมงยืนปนมมือฟังธรรมเนะีพระศาสดายืนฟังธรรมสาวกแสดงตั้งแต่หกโมงเย็นยันสว่างพระศาสดาเป็นผู้ฟังธรรมพอพอปรชิมัยามเบรจก็พระศาสดาก็ปรากฏให้เห็นพระบอกโอ้โหเจ้าของฝังเจ้าของทำ ม, มาเองเลยจ้ะ ใช่ไหมผู้ตัดสรุเองมายืนฟังเองถ้าเป็เราจะแสดงออกไหมเนี่ยไม่ออกเลยเนี่ยไม่ออกอันนี้เจ้าของเลยใช่ไ้ยแต่พระในสมัยขั้งพุทธกาลเนี่ยถ้าพระศ า, ษ า, ษาสดาให้แสดงธรรมท่านกล้ า, าหารหมดเลยท่านแสดงได้ป๊อปป๊อปัป๊อเลยถ้ามาไปนั่งตรงนี้แล้วบอกให้เราขึ้นมาแสดงได้ไหม <c oughs> เลิกอึดอักเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่พระศ า, าสดานั่นเป็นคนเล็กๆตัวเล็กๆคนนี้ ยังแต่พระาสดามาประทับอยู่โอ้โหแสดงทำแต่ว่าท่านกลับแสดงได้อย่างอาถรรพ์น่าเลิศเรพราะทําไมท่านแสดงอ่ะท่านแสดงทำถาวายเป็นพุทธบูชาท่านบอกไนงะข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ น, นี้แหละพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไหลในกระแสขันของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็นําออกถวายเป็นพุทธบูชาให้พระสาสดาได้ชื่นชมได้เห็นพระธรรมที่ไหลออกจากกระแสใจของข้าพระองค์เือนเหมือนกับที่เราปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็ถึงเรียกปฏิบัติบูชาไงเนี่ยเราจะเอาศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตเนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมเวลาไปที่ต้นพระศี ม, มหาโพลไปที่ประสูตสิสรว์รูปหลายก็เอาศีลสมาธิปัญญาไปปฏิบัติ บูชาพระศาสดาก็ไปบอกพระศาสดาไงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่แหละคุณธรรมที่ข้าพระองค์เนี่ยเป็นบริษัทของพระองค์เนี่ยทําให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตเนี่ยตอนนี้กําลังเดินศิกขาสามได้เพียงเท่านี้แต่จะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะตอนนี้ได้แค่นี้มาบูชาเพียงเท่านี้ก่อนครั้งต่อไปจะทําทให้มากกว่านี้ดีไหมถ้าไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลภตัวสามมัวหาเอามา เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเข้าไปก็ไม่รู้เรื่องเลยจะเนี่ยเนีไปอะไรกันก็ไม่รู้ไปถึงบ้านนาถาพินที่กาเสตีก็เอาก้อนดินมาขอยรวยคนอยากจะรวยอย่างนั้นนาถาพินที่กาเสตีกันพอนั่นเบเสร็จมีการเปิดกระเป๋าเนี่ยแล้วก็ควักซับของกันนาถาพินที่กาใส่กระเป๋ากันอี๊เปิดเอามาก็ไปเอามาไปที่ครั้งที่แล้วใช่ไหมเอามาก็เป็นั่งอยู่เอามาไปเพราะปกติไปไม่ได้ไปเป็นคณะเอามาก็ไป นั่งอยู่ห่างๆแล้วก็ไปนั่งปูอาสนะอยู่ไกลๆนะแล้วก็มีโยมไปตามไปด้วยประมาณสองสามคนแล้วก็พักไปองค์สององนั่งอสมถะนั่งกําลังพิจารณาพระธรรมอยู่เนี่ยนะสักพักหนึ่งก็เจอคณะที่ก็พาญาติโยมมานี่ในที่บ้านข้างนาถาโอยเข้าถึนปรญยายประวัติสักพักหนึ่งบอกว่าอาโยมทั้งหลายอยากจะรวยอย่างอนาถาพิณิกาเศรษฐีไหม ทุกคนก็อยากจะรวยเจ้าข้าอาะไรเนี่ยเอ้าเปิดกระเป๋าสตางค์เปิดกระเป๋าสตงางก็ ก, า ก, กวาดทรัพของนะถาใส่กระเป๋านี่เป็นอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้จะเห็นพุทธคุณไหมเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นแคอย่างเงี้ยนะก็ลําบากกันอย่างนี้พอฟังอย่างนี้ถ้าเราฟังแล้วจะชื่นใจหรือสะก ด, ดใจจะสะก ด, ดใจเนะี่ย ไม่คิดว่าแต่ฟังแล้วชื่นใจวิ่งตามเขาไปไปเปิดกระเป๋ากวักด้วยเราก็อยากจะรวยอันนี้ยงที่จริงความรวยความจนมันมาจากอะไรมาจากทานในกุศลไม่เข้าใจทานในกุศลก็จนนี่คนที่เข้าใจทานในกุศลรวยทุกคนแหละใช่ไหมจแต่ต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ให้แบบงมงายได้ๆฉะนั้นวิริยะภาวนาการกินน้อยนอนน้อ ย, อยมา น, นาสิกการกรรมฐานมาก ตอนฟังธรรมนี่ชื่อออกมนเิกาลกรรมฐานไหมนี่เป็นภาวนากุศลนะลองไปดูในบุญกิริยาวัตถุสิใช่ไหมภาวนาใบาอะ่ะบุญเกิดขึ้นจากภาวนานะฟังธรรมสแสดงธรรมแล้วก็ทิฏฐิชุ ก, กรรมเนจัดเข้าลงในภาวนากุศลหมดแหละฉะนั้นแต่ฟังแล้วไม่เป็นภาวนากุศลได้ไหมฟังแล้วให้บาปเกิดเป็นภาวนากุศลไหมถ้าเป็ น, นกุศลอะไรเป็นทานงด้วยปะ ทานก็ไม่ได้ศีลได้ไหมสมาธิก็ไม่ได้สรุปแล้วก็ไม่ได้กุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็มาพิจารณา น, นี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วนะว่าจริงๆเราฟังธรรมเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ภาวนากุศลนั้นฟังธรรมทุกครั้งเนี่ยเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่การพ้นทุกหมดไม้ยถ้าฟังได้ถูกต้องไก่ฟังธรรมบรรลุได้หมูฟังธรรมบรรลุได้อบายสัตว์ฟังธรรมบรกบฟังธรรมบรรลุได้ไหม ได้ไหมไปดูในคําสอนนี่ครั้งข่าวฟังธรรมบรรู้ได้แต่เราฟังธรรมยังไงเจ้ามาอันนี้แต่ว่าแสดงเราตั้งอัตยาสายไว้ผิดแน่นอนใช่ไหมฉะนั้นก็ตั้งไว้ให้ถูกฉะนั้นไม่ได้บรรูุชาตินี้ชาติต่อๆไปมีโอกาสบรรู้ไหมแต่ถ้าตั้งจิตไว้ผิดนอกจากไม่บรรู้ชาตินี้ชาติต่อๆไปก็ไม่ได้บรรู้ใช่ไหม นั้นต้องตั้งจิตให้ถูกเอ๊ะไม่จะไปต่อรองแล้วก็ฟังทำมาเนี่ยทำไมผลมันไม่ค่อยเกิดกับเราเลยแคนั้นตรงนี้ก็คือว่าทุเจริญอบายภัยทั้งหลายเนะยตรงนี้เป็นปัจจัยต่อต้านนะถ้าหากเป็นภาวนาวิรยิยะเป็นระดับพละเนี่ยนะก็จะสามารถที่จะผลักดัน โ, โกศชาอากษรออกไปได้อย่างเด็ดขาด ภาวนาวิริยานี่มุ่งหมายเอาในไหนโพธิปักขีธรรมเนีแม้สติถ้าเป็นภาวนาสติก็เป็นสติในโพธิปักขีธรรมสมาธิถ้าเป็นสมาธิที่เป็นระดับภาวนาก็เป็นสมาธิที่ในโพธิปักขีธรรมอะไรอย่างฉะนั้นศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่เป็นระดับภาวนาเป็นไปในโพธิปักขีธรรม ในโพธิปั ก, กยธรรมมีคำว่าศรัทธาไยมมีไม่มีมีไห ม, ม, ไ, หมไม่ในโพธนะิปัก เ, ก เ, เนียโพธิปักยธรรมเออขอไปเออขอไปในมีอินทรีย์พราเนะียนั่นแหละหมายถึงกรณีในลักษณะที่ว่าเป็นโพธิปั ก, กยคืออย่างนี้ สติปฐานสมปารทานอธิบาทอินทรียพระโพชฌงค์และก็มารเนี่รวมเบ็เสรก็รู้พอที่ปักเป็นธรรมที่เป็นฝักฝ่ายกับการศัตรูธรรมเนี่ยนะประการต่อมาก็คือว่ามุทฐัสสติและสติภะละเนี่ยทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อภาวนาสติคือมุทฐัตสติอกุศล ถามว่ามุท ธ, ธาสติอกุศลนี้ย่อมทำให้จิตไม่สามารถที่จะตั้งมั่นในในกุศลนี่นะโดยเฉพาะก็คือในกรรมฐานไม่สามารถตั้งได้ให้สังเกตนะว่าพอตั้งสติดูลลมคนที่มุท ธ, ธาพสตินี่นะตั้งได้แป๊บเดียวไปหมดเลยรูปหายไปไหนรู้ ลมก็หายสติก็ระลึกไม่ได้พอเดินพุทธคุณก็ตั้งได้ไม่นานถ้าอย่างนี้มีปัญหาเรื่องมุทธธัตสติอกุศลแล้วเขาเรียกหลงลืมสติก็กำลังตั้งท่ากำลังกำหนดเจริญอยู่ดีๆใช่ไหมแล้วมันหายไปไหนบางคนเนี่ยนับลมไม่รู้เรื่องเลยนะเชยเป็นไหมเนี่ยนับหนึ่งนะ หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองสามสี่เอ็นนับถึงไหนแล้วเนี่ยเอ๊นถึงไหนแล้วเนี่ยคเคยเป็นบ่อยไหมแบบเนี้ยลองสังเกตนะถ้ารู้อยากดูว่าสติแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะเอาจเจริญนาปนักเลยแค่เขาบอกอุบายเบืเ้องแรกแรกให้นับใช่ไหมหายใจเข้านับหนึ่งหนึ่งออกสองหนึ่งหนึ่งก็แล้วแต่หนึ่งหนึ่ ง, อ, ง, ง, ง, งออกสองสองอะไรต่างต่าง พอถึงห้าแล้วก็มาก็มาสองใช่ไหแล้วก็ 1, 1, 8, 7, 6, 1, 1, หนึ่งหนึ่งไปเพียนถึงหกหนึ่งหนึ่งใหม่เป็นต้นไปถึงเจ็ดนับถึงสิบนับไม่ได้เขาแเกิดมาทั้งทีนับหนึ่งไม่ถึงสิบไม่ใช่หนึ่งสองสามสีาเจ็ดแเก้าสิบนี่มันคล้องปากใช่แต่ถ้านับแบบการจะเดินกรรมฐ า, านเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสอง เข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าแล้วก็มาเข้าหนึ่งออกหนึ่งยี่นะเพื่อให้ไปถึงหกเนี่ยเพื่อจะไปถึงเจดเนี่ยไล่ไลไปถึงสิบเนี่ยไม่ได้เลยลืมทุกทีลืมทุกทีอันนี้มีปัญหาเรื่องมุตตสติแน่นอนใช่ไหมมีปัญหามากอันนี้สติภล้าเกิดไหมไม่เกิดแน่นอนขนาดตั้งใจยื้อเต็มที่เลยนะนับได้แต่สติไม่เกิด สติไม่เกิดเคยมีปัญหาตัวนี้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเ น, นี้ยลักษณะอย่างนี้มีปัญหาแล้วอะไรเป็นปัจจัยทําให้สติไม่แข็งแรงมันอ่อนมากเกิดสตาแล้วเพราะสตาเป็นปัจจัยแก่วิริยะวิริยะเป็นปัจจัยแก่สติใช่ไหมสติเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมา ธ, สมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญญาก็มาอุปกากระสถาอีกทีนึงหนึ่งตรงนี้เนี่ยนั้นะ ทาที่เป็นปฏิบัติมุทัตสติอกุศลเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากมองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าถ้าภาวนาสติก็สามารถกำจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้วิเคปะอกุศลแปลว่าอะไรความพุ่งซ่านขายเป็นบ่อยอ่ะที่นั่งอยู่เนี่ยที่แปลกนะพอทีนะมิท้าไม่ลบกวนพุ่งซ่านก็มาเคยเป็นหมแบบเนี้ย โอ้โหแก้ยากอย่างมีคนเคยเมาเจอเอามาเคยเจอคนประเภทนี้นะเขาบอกว่าพอเขาแก้การซึมเศร้าโงกง่วงได้เขาก็ฟุ้งเสียเองเขาจะแก้กแกยังไงเอามาก็มองนะโอ้โหนี่เล่นหนักนะนี่อกุศลนี่หนักฮะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเพิ่มทุงตัวนะตัวนี้นะต้องเพิ่มตั้งแต่ศรัทธาเป็นต้นเพิ่มต้องเพิ่มอะไรเป็นเหตุใกล้ของศรัทธา นะที่จริงท่านยกให้ถ้าเหตุใกล้ก็คือการการครบสัตบุรุษไงการครบสัตบุตรแล้วก็อะไรฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็อะไรโยนิโสใช่ไหมไม่ใช่ครบสัตบุรุษแล้วก็สักแต่ว่าฟังธรรมไม่ใช่นะฟังแล้วเพื่อให้เกิดปัญญาพิจารณาตองแท้แล้วก็เริ่มแปฏิวัติธรรมตามงควรเกี่ยวธรมไปต้นเนี่ยเหตุใกล้ ไอ้ตรงนี้การระดมเหตุใกล้เข้าไปใะเข้าสัตทินซีจะแข็งแรงอะไรเป็นเหตุใกล้ของวิริยะไม่ไม่วิริยะวิริยะอะไรอะสังเวคยานนะสังเวคายานนะยานปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นเห็นอะไร โอ้เห็นอบายภัยเห็นทุจริตรต่างๆเห็นกรรมชั่วต่างๆเห็นกรรมชั่วใหม่ที่จะทําอีกต่อไปพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาความเป็นอยู่ของอบัยศาสตร์ซึ่งเรายัางไม่พน้นสังเวชาญาณนะไปพิจารณาแล้วมันสะเทือนสะดุง้งน่าจะกล้าเกียรค้านได้ไหมมันจะระดมความเพียรเลยตอนเนี้ยอยู่ไม่ไหวแล้วใช่ไหม คืออย่างนี้วิธีคิดถ้าไปเห็นสุนทรเหรือคิดไปเอบายสัตว์แล้วก็ไปถามว่า น, นี่เรายังไม่พ้นเรายังไม่พ้นถามตัวยอย่างนี้ยเห็นจริงหรีดทึกตัวเรายังไม่พ้นใช่ไหมเราสามารถไปถือปฏิสันที่ในท้องจิ้งหรีดได้ไหมดูสิจากมนุษย์กลายเป็นแค่ได้จิ้งหรีดร้องปี๊ดปี๊ ด, ด, ดได้ร้องร้องเสียงดังๆในป่าใช่ไหมดูสิเนี่ยดูที่ เป็นลักษณะอย่างนี้ยเราสามารถไปถือปฏิสันที่ในคันของสุนัขได้ไหมดูจากสองขากลายเป็นสี่ขาเลยสามารถไปถือปฏิสันที่ในกิ้งกือได้ไหมจากสองขาก็แท้กลายเป็นตั้งหลายร้อยขาเดีย๋ยวไปเถียงกันนะว่ามีกี่ขานเนี่ยนะเอาการถึอสามารถไปถือปฏิสนที่ในในท้องของไส้เดือนได้ไหมดูสิเนี่ยสัตว์ไม่มีขาก็ได้เป็นงูก็ได้งูมีไข่ใช่ไหม เนี่ยจากมนุษย์เนี่ยแล้วอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้เรายังจะมาอยากเกียรติคานไหมตรงเนี้ยค้าเรือกสังเวชายานะอะไรเป็นเหตุกล้ของสติยนิโสโยนิโสมนัสการอะไรเป็นเหตุใกล้ของสมาธินะสมาธิก็คือความสุขก็ได้ใช่ไหมสุขก็ได้ สุขที่เกิดจากกุศลศีลนะไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นจากกรรมคุณอันนั้นเป็นเหตุใกล้ของมิจฉาสมาธิออาจริงๆว่าคนก็ฟังเพลงก็มีสมาธิไหมเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยนักฟังเพลงกันทั้งนั้นในดีใช่ไหมนั้นต้องมีสมาธิจริงไหมยอมเชื่อแต่สมาธินั้นกลายเป็นมิจฉาสมาธิมาจากอากุศลศีลเป็นปัจจัยแก่มิจฉาสมาธิ ไอตัวมิจฉาสมาธิก็เลยเป็นประฐ า, านของมิจฉาทิฐิเห็นไหมอกุศสราศีนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่มิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็เลยเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฐิเพลงนี้เพราะมากฟังละซึ้งมากประทับจับใจจริงๆนี่นะเพราะฟังแล้วรู้สึกมันตื่นเต้นน่ะใช่ไหมบางคนพอฟังเบสเสร็จพวกมันนึกถึงอดีตยาวไกลเลย สมัยก่อนเนี่ยเอามาไปได้ยินอยู่เพลงหนึ่งเอามาฟังฟังกันได้ไงอยากเกิดเป็นนกอยู่ตามพุ่มไม้ทำไมาเขาบอกเพลงนี้เพราะมานึกแต่เป็นเป็นครวาญนะอะไรอยากเกิดเป็นนกเกิดตามพุ่มไม้มอามาคอดว่านกนี่มันอบายวัตว์พูดก็ไม่ได้เรียนก็ไม่ได้ใช่ไหม เออแปลกแล้วมันไม่มีที่เก็บข้าวด้วยนะมันหากินเป็นวันวันเท่านั้นเองมันมีตู้เย็นใส่กับข้าวไหมไม่มีเลยอะ่ะป่วยมีโรงพยาบาลรักษาไหมก็ไม่มีเอามาก็นึกอย่างนี้นะตอนเด็กๆอะ่ะเอ๊ะมันไปทําไมมันเพาะได้ยังไงมาคิดอย่างงี้จริงๆนะอาจารย์เป็นไรว่าเอามาเป็นคนดูอะไรไม่สนุกเอามานึกว่าเอามานี่ผิดเพี้ยนก็ แ, แต่ก่อนเนี่ย เขาพามาไปดูพวกดนตรีใช่ไหมแล้วไปดูลิเกเฮไปดูอะไรเนี้ยอามาก็ไปดูจริงๆยังจางเพามาเป็นคนจะต้องดูว่ามันคืออะไรใช่ไหมเป็นคนดูให้มาไปดูเห็นมันวนๆอยู่ไอ้โต๊ะกับเตียงนะอามา้ามานั่งนึกแ ล, แล้วแล้วมันบอกมันมันบอกเป็น เป็นเป็นราชบัลลังก์แล้วก็มองเป็นราชบัลลังก์ประหลาดมากอามาบอกอามากกบอกอามาก็สะกิดคุ้นข้างๆนะบอกให้มันโกหกเป็นเด็กๆนนมาก็บอกบอ ก, บอ ก, บอ ก, บอกไปบอกพ่อบอกแม่บอกแม่เขาโกหกเหนี่ยมันไม่ใช่บ้านเนี่ยมันมันเตียงตัวเดียวเองมันวนๆกันอยู่เนี่ยนะอ่ะมันไปนคิดเตลิดไง แล้วตอนนั้นเขาเขาแสดงละครกันใช่ไหมมีเป็นลิเกเขาแสดงละครอามาก็ไปดูพระเอกก็ยากจนนางเอกก็เป็นคนรวยเนี่ยเนะหาเงินไม่ได้ร้องไห้ไปขอเขาก็ะทบเตียวเนี่ยเนะีไปไปมาไอ้ถือขันลงมาข้างล่างแล้วอามาเว้ยนี่เล่นนอกวงเลยเนี่ยมันคิดอย่างจริงจริงนะความรู้สึกเนี่นะความรู้สึกมาก็บอ ก, อ ก, บอกเขาทาหนี้เขาไงเต็มไปเป็นเด็กๆด็กไง เป็นเด็กๆเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นยังเป็นไอ้ที่ประมาณห้าขวบหกขวบนึ่งอามาก็บอกว่านี่เล่นจริงหรือเล่นหรือเล่นหรือจริงเนี่ยงานเนี้ยมาถามมาถามพวกเนี้ยมันเรื่องจริงๆริงไหมก็แต่งงานจริงจริงหรือเปล่าเขาบอกไม่แล้วเอาแล้วนี่มาขอเงินจริงนะเนี่ยจะมาขอเงินจริงเนี่ยอามาก็เองงงไงแล้วแปลกนะอามาก็มองอามาก็สังเกตมองอามองมอง ไอ้หน้าตาเขาสวยจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาเขาดูเหมือนสวยใช่ไหมพอกลางวันอะมาก็รีบวิ่งไปดูเขาอีกเนี่ยโอ้โหหน้าตาไม่ค่อยน่าดูเลยอะพอเขาเอาเครื่องสัมาอังออกนะมาก็เลยบอกเขาเลยวะเนี้ยมาบอกปู่ยา่าตายายไม่ได้สวยอะไรเลยเขาโกหกเราทั้งนั้นเลยว่างั้นเนี่ยเขาก็บอกต่อไปเองอย่าไปดู <c oughs> แล้วมาเลยดูอะไรเขาไม่ได้ทีเนี่ยไปดูพอสักสามไป อยากหาความสุขไงโยงอะไรมันคือความสุขของชีวิตเขามีงานมีการก็พยายามไปกับเขาอยากจะไปดูว่าอะไรมันคือความสุขไปดูเขาเต้นรำกันก็ไปดูยกแยกยกแยกเหงื่อก็ออกกันเยเหนื่อยกันทําเลยแล้วมันไปเต้นกันได้ไงมานั่งนึกเอามาก็นั่งนึกเพื่อนก็บอกเอ้เอิงตอนนั้โตแล้วนะเพื่อนก็บอกเฮาก็ขึ้นไปที่ ขึ้นไปนมาก็จะไปทําไงเก๊กันกลางอ่อไม่ได้เรื่องไม่น่าอายเขาด้วยเนี่ยเนี่ยความรู้สึกมันก็เป็นไงอามานดกว่ามามีปัญหาทางจิตรึเปล่าไม่ไม่นะอะมาหาไงาอะไรมันคือความสุขมันคือความสุขเอ๊ะมีใครเป็นแบบนี้ไหมถามจริงเมื่อมาเลยเช็คสภาพจิตตัวเอง <laughs> แต่นี่อามามั่นใจแล้วไม่บ้าหรอก เพราะามามองมองตามความเป็นจริงเขาไงว่ามาอยากต้องการดูว่าอะไรมันคือสุขอะไรคือมันสุขจริงๆของชีวิตมนุษย์เพราะมาก็อยากได้ความสุขใช่ไหมเมื่อมาต้องการว่ารวยมันสุขจริงหรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นความสุขจริงหรือเปล่านี่เนี่ยมาเลยเวลานิดหนึ่งนะมาก็มาคิดว่าตอนนั้นเด็กๆนะประมาณทักเจ็ดขวบนี่มั้ง มาก็เอ๊ะตอนนั้นหินพวกทวกแก่มารับซื้อของรับซื้ออะไรใช่ไหมมาก็ถามพ่อแม่ว่าไอ้เขารวยเอ๊ะมีคนรวยอ้าวเราทำงานไปเพื่ออะไรเนะี่ยถามพ่อแม่อ้าวเราจะได้มีเงินรวยอย่างเขางอา้ารวยเป็นไงก็ถามพ่อแม่รวยมีความสุขไหมลูกมากันนอกในใจว่ไม่ได้เราต้องไปดูว่าเขาสุขขนาดไหนงั้นเราจะได้ทำให้รวยใช่ไหม เอออมาก็เลยแก้งเลยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวบ้านเขาว่ะเขาไปที่หนูเดี๋ยวไปกับลุงใช่ไหมก็นั่งรถไปกับเขาบ้านก็อยู่ในตัวจังหวัดนี่เราวิ่งไปอามาก็ไปแล้วก็ไปสังเกตเอามากก็เล่นๆไปแต่จริงๆในใจขอมาสังเกตนะเนี่ยพอไปถึงบ้านก็ก็สังเกตโอ้โหมาข้างนอกเขายิ่งใหญ่มากเนอะแต่ไปข้างในเขาหงอเลยอะ่ะภรรยาตำหนิเขาด่าเขาว่าด่าเขา ว่าเขาใช่ไหมมายังไม่เห็นมีสุขเลยเนี่ยทำหนีกันและกันแล้วก็ลูกเต้าก็ไม่ได้มีความสุขใดๆเนี่ยมาก็เริ่มคิดแล้วนี่หรือรวยเนี่ยรวยไม่เห็นสุขเลยเนี่ยมาก็ยังมาเบียดเบียนกันยังมาทะเลาะกันยังมีขัดแย้งกันนี่ไม่เห็นมีความสุขใดเลยเนี่ยก็เริ่มคิดและเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยบนมองลักษณะอย่างนี้มันเลยหาสุขไม่ได้ ชีวิตออกมาเลยคับแคบเลยนี่ก็คิดอย่างนี้ลาบากใจไหมแล้วจริงๆยอมว่าถ้ามีทรัพย์นี่มันสุขจริงไหมสุขจริงไหมมันสุขไม่จริงหรอกมันดูตรงนี้ว่าใครจัดสรรทรัพย์ได้ในการที่จะว่าส่วนนี้ทําอะไรส่วนนี้ทําอะไรแล้อีกส่วนหนึ่งเอาเจริญกุศลอย่างไงกันนั้น ประการต่อมาก็คือว่ากลุ่มวิเขปะคือความฟุ้งซ่านนี่นะการที่จิตซัดสายในขณะมนุิการภาวนานั้นเพราะปกติสมาธิได้มาตั้งแต่พ่อแม่แล้วเรานี่มีปกติสมาธิมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นสมาธิที่ไม่สามารถขจัดหรือข่มความฟุ้งซ่านลคาคัญใจเป็นต้นได้ไม่สามารถจะกําจัดวิเขปะอกุศลคือความฟุ้งซ่านได้ มีแต่ภาวนาสมาธิเท่านั้นที่จะสามารถกาจัดวิเขปะอกุศลคือความพุ่งซ่านเป็นต้นได้ตอนนี้เราท่านทั้งหลายก็สังเกตเนี่ยนะประการต่อมาคือสัมโมหะอกุศลคือกลุ่มความหลงความโง่นี่ยนะความร่วมหลงความที่จิตหลงแนลมความที่จิตมัวเมาความมัวเมาของจิตความที่จิตไม่สว่างความที่จิตตกไปสู่ความมืดเพราะไม่ได้แสงสว่างคือปัญญาเนี่ยนะ ปกติศรัทธาไม่สามารถกําจัดกลุ่มสามโมหะอกุศลได้ความมืดบอดแห่งจิตว่าัถ้าทําให้ถ้าจะแปลกันให้ตรงอาถาเลยนะความมืดบอดแห่งจิตอามืดบอดอยังไงไม่เห็นสภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะของสภาวะธรรมนี่ชัดตรงเนี้ยมันมืดบอดเพราะแสงสว่างกล่าวคือยานปัญญามันไม่เกิดถามว่า ถ้าปกติศรัทธาเนี่ยออปกติปัญญาเนี่ยสามารถออกจากจิตที่มืดบอดได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นภาวนาปัญญาปัญญาระดับภาวนาเท่านั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าตัณหาเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาพระ โกศช้าความเกียดค้านความไม่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการไม่กล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติได้เต็มที่เอาละกล้าไหมวีระนี้แปลว่ากล้าใช่ไหมแล้วกล้าปล่อยจิตเข้าสู่การปฏิบัติเต็มที่ไหมตอนเนี้ยกล้าระดมทานศีลภาวนากล้าระดมศีลสมาธิปัญญาไหมถ้าไม่กล้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มโกสัช้าอากุศลเล่นงานแล้วนี่เขาเรียกโกศช้าอากุศลกันไม่กล้า ไม่กล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติได้เต็มที่อะตอนนี้ใครกล้าไม่กล้ากล้าไหมอีกอย่างหนึ่งกลุมมุตตสติความหลงลืมสติหลงลืมคืออะไรระลึกตามไม่ได้ระลึกย้อนไม่ได้จําไม่ได้คิดไม่ออกนี่นะปั่นเบือนเรื่อนเรนี่นะประการต่อมาคือว่ากลุ่มวิเคปะความฟุ้งซ่านเป็นปฏิบัติต่อสมาธิภละกลุ่มสามโมหะอกุศลความล่มหลงก็เป็นปฏิบัติต่อปัญญาภระตรงนี้ก็ ในรายละเอียดไปอยู่ในดีกาโดยทั่วๆไปนี่เนี่ก็ไปจับประเด็นแล้วก็จับเชื่อมแล้วจะให้เห็นว่าในชั้นของคาสอนของพระศาสดาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องต้องเอามาเจริญเอามาอบรมเนาะตอนนี้จะมาพูดตรงนี้เพื่อต้องการให้เรานั้นวัดแล้วก็เพิ่มตอนนี้ศรัทธาเรากล้าหรืออ่อน ร่าแข็งหรืออ่อนวิรยิยะแข็งหรืออ่อนสติหรืสมาธิปัญญาปัญญาปัญญาอ่อนได้ดีก็สรุปแล้วก็คือถ้ารู้แล้วมันยังมีกําลังน้อยก็เพิ่มนะ <ansa. S 1> เพิ่มเราก็ได้อาศัยจริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มได้โดยการให้อาหาร เขามีอาหารใช่ศรัท ธ, ธาก็มีการครบสัตว์บุรุษเป็นต้นเป็นอาหารวิริยะก็คือการมนสิการในสังเวคาญาณนะนะการพิจารณาเห็นความภัยทั้งหลายสติก็เป็นกลุ่มโยนิโสมนานสิการทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองสมาธิก็กลุ่มในเรื่องของนะสุขก็ดีแม้โยนิโสมัยังเกี่ยวข้องเลย ส่วนปัญญาก็อะไรเป็นเหตุใกล้นะอะไรเป็นเหตุใกล้ของปัญญาใช่ไหมสมาธิที่จริงเหตุใกล้ของปัญญามีเยอะเนะี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นถ้าใครต้องการอยากให้ปัญญาเกิดมีอะไรบ้างหนึ่งโยนิโสมนสิการก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญาใช่ไหมประการต่อมาก็คือสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญาประการต่อมาก็คืออะไร ไตรเหตุกาปฏิสนธิการเกิดได้เหตุสานคือความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญาได้แล้วประการต่อมาเลยนะปัญญาทัศกาลไวไวปัญญาเนาะตอนนี้ถ้าอายุร้อยปีเนี่ยเขานับสี 50, ่สิบถึงห้าสิบแปลว่าปัญญาทัศกะวัยเอาใครเกินห้าสิบแล เกินแล้วนี่เลยวัยปัญญาแล้วเลยวัยปัญญาแล้วเนี่ยทีนี้ไอ้ที่นับอย่างนี้ร้อยปีเป็นอายุไขนะนี้ถ้าหากนับเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ดีเอาสามสิบหกสามสิบเจ็ดถึงสี่สิบเจ็ดนี่เป็นวัยปัญญาใครเกินสี่สิบเจ็ดแล้วอันนี้ปัญญาเริ่มหายแล้วเนาะ แต่ถ้าใครที่น้อยกว่า น, นั้นก็โอ้โหยินเร่งความเพียรได้เต็มที่เนาะแต่คือเราขาดองค์ของปัญญาไปหลายตัวตอนนี้สมาธิมีไหมอุปจาระมีไหมเนี่ยบริกรรมาสมาธิก่อนนะสมาธิในบริกรรมพอแวบๆบแบบได้บ้างเนาะอุปจารสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นออกจากทำที่เป็นปฏิบัติต่อสมาธิแปดอย่างได้ออกจากกา ร, รมาฉันท่าได้ยังตอนเนี้ยออกจากพยาบาทได้ยัง ออกจากผีนามิทะออกจากอุทะจักกุ ก, จกุจ่าออกจากวิจิกิจ่าออกจากอาวิชชาออกจากความไม่ยินดีในการเจริญกุศลแปดตัวอันนี้ทำที่เป็นปฏิบัติกับสมาธินี่นะออกได้ยังโอ้โหไม่มีใครตอบเลยอันนี้ก็แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเราไม่มีสมาธิเป็นเหตุเลยนะอันนี้ก็เสียไปหนึ่งเลยเนาะเกิดไม่เสียสามไหมตอนเกิดใหม่ใม่ ความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเกิดมาในขณะเกิดเลยวะไม่รู้นะแต่ค่อนข้างชักไม่ค่อยจะเกิดเนี่ยนะเออสมมุติไม่ค่อยมั่นใจในขณะเกิดสองไม่มั่นใจสมาธิสามตนไวเลยไวัปัญญาอา๋าสี่แล้วเหลืออะไรสมาธิแมวแล้วเหลืออะไรโยนิโสกับพองกั บ, พกบแพงเลยตัวเนี้ยนี่ยเห็นไหมฉันตรงนี้ก็ตั้งโยนิโสเยอะๆถ้าใครรู้ว่าผ่านร่วงการบันวัยเยอะ นี้ก็สมควนเกี่เวลาเนะเอาอุทิศส่วนกุศลกันหน่อยอ่ะพร้อมปุ้มพอเจริญกุศลมาทั้งวันตั้งใจเนะเวลาจะเจริญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยอุทิศด้วยจิตที่เป็นเจ้ากุศลดวงไหนเอาโสมนัสหรือเอาเอาเวขาดีเอาเป็นอาสามคาลิกหรือสสามคาลิกดีเอาปัญญาประกอบหรือไม่ประกอบเอ้าทุกคนก็รักษาใจตัวเองเอาก็แล้วกันในการเจริญกุศลนะ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 สัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วเหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเธอส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นให้รู้ด้วยเรวยพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วทั้งปัวจงเป็นผู้ไม่มีเวร ดูเป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษมกวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดสาธุสา ธ, สาธุสาธุน้อมจิตอุทิศนิวนิศในกษัพริย์ประศรทั้งหลายให้เขาบรรลุพระนิพพานพ้นจากวัฏทุกข์ด้วยเถิดนะบุญที่น้อมให้เขาบรรลุพระนิพพานเนี่ยเกื้อหนุนให้เราให้กระแสชีวิตของเราบรรลุพระนิพพานนะ มาต่อไปตั้งจิตปราถนาบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตละทำมก้าวใ น, นทันทีถ้าข้าพเจ้ายังผู้อาพรับอยู่ เทศอันสมควรได้ครบกาลยาณมิตรได้ฟังพระสัจธรรมได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบปดอย่างข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาสีไม่ก่อเกี่ยวในกามกุลทั้งห้าพึงเว้นจากเปือกตมกาวคือกาขอให้ข้าพเจ้า ไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงครบมิชั่วพึงครอบแต่บัณฑิตทุกเมือ่อขอให้ข้าประจาเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติอิริโอตตาปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูคอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขา่าคนหลงงมงา เป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขาดคล้องในธรรมที่ควรรู้เดิดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลด้ดยง่ายทุกเมือ่อคนที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกทุกพบเมื่อใด เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมมันชั่วชายทั้งเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุทางขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยะนุษได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทองไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวก ตรัสรู้ได้พรันกะทำให้แจ้งซึ่งอาราธาผลอันเลิศอันประดาบด้วยธรรมีเวชาเป็นต้นถ้าหาพระพุทธเจ้ายัางไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตอนอันสูงสุดเธอสาธุสาธุสาธุ